เพื่อจะทำสมาธิให้ได้ผลทุกครั้งต้องมองเห็นตัวการที่ทำให้ไม่ได้ผลทุกทีหัวยุ่งเห็นลมหายใจยากยิ่งพยายามเห็นยิ่งเป็นทุกข์หัวโลง่งเห็นลมหายใจง่ายเห็นสบายๆและเป็นสุขถ้าสังเกตอยู่แค่นี้ในที่สุดจะเห็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวหัวก็ยุ่งเดี๋ยวหัวก็โลง่ง เดี๋ยวไม่รู้ลมเดี๋ยวรู้ลมเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นสุขเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วแต่ว่าเดิมทีหัวยุ่งมากหรือน้อยปัญหาคือผู้ปฏิบัติธรรมที่บ้านมักไม่สังเกตอยู่แค่นี้แต่เริ่มต้นด้วยการอยากหัวโล่งเห็นลมหายใจง่ายสบายๆ ส, สงบเป็นสมาธิให้ได้ดังใจหรือเรียนแบบของเก่าดีๆให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบความอยาก คือการฟุ้งซ่านอย่างแรงแม้อยากสงบขณะที่สงบไม่ได้ก็เป็นการทำให้หัวยุ่งไม่หยุดเห็นลมหายใจไม่ถนัดแต่แรกเป็นทุกเกิดความท้อทุกครั้งแค่เปลี่ยนความอยากให้เป็นข้อสังเกตก็ทำสมาธิได้ผลทุกครั้งคือเกิดสติรู้ว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงหัวยุ่งเห็นลมไม่ชัดอึดอัดเป็นทุก หัวโลง่งเห็นลมสบายคลายใจเป็นสุขในที่สุดจะเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกหวังความสงบหวังแต่จะได้เห็นอ น, นิจจังซึ่งหวังอย่างนั้นแหละในที่สุดจะสงบเองเกิดสมาธิดีๆรู้ความไม่เที่ยงได้เอง